บรรดาสิกขาให้รู้แล้วเลยก็สังวรระวังความประพฤติทางกายทางวาจาไม่ให้ร่วงสิกขาบทน้อยใหญ่นั้นนั่นนี่ต่อจากนั่นมาเมื่อเป็นผู้สำรวมในศีลได้ดีในวินัยได้ดีอันนี้สงแห่งการรักษาพระวินยัยพระพุทธเจ้าแสดงไว้ว่า ก็เป็นผู้ไม่วิปวิปฏิสารคือเดือดร้อนไม่ได้ร้อนกายร้อนใจนั่นแสดงว่าบุคคลผู้ร่วงทิขาดหมดวินัยน้อยใหญ่ผู้ร่วงทิขาดหมดวินัยน้อยใหญ่แล้วไม่ชำระไม่แก้ไข เรื่องศีล น, นี่สำคัญไม่น้อยนะผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็ขอให้ใส่ใจทีเดียวแหละถ้าหากว่าศีลไม่บริสุทธิ์แล้วย่อมเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติทางจิตใจเพราะอะไรล่ะเพราะว่ามันมีบาปมารบ ก, กวนหนึ่งมนะัน พอน้อมใจเข้าสู่ความสงบาบาปมันก็มาผลักดันสกัดกั้นไว้ให้จิตสงบลงไม่ได้มันเป็นงั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงข้อปฏิบัติไว้ถึงสามประการก็เพื่อให้เป็นเครื่องกรรมจัดกิเลส อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดให้หมดไปสิ้นไปดังนั้นผู้บวชเข้ามาในพุทธศาสนานี้ซึ่งต้องศึกษาให้เข้าใจอย่าพากันนิ่งนอนใจ เราบวชมาเอาบุญบวชมาบําเพ็ญกุศลอันบุญกุศลนั่นเป็นเครื่องชำระร้างคิดใจให้สะอาดผ่องใสนะไม่ใช่ว่าสร้างบุญกุศลเพื่ออะไรเหมือนอย่างเรามีสบู่มีน้ำ ยาหรือว่าผงซักฟอกอะไรอย่างนี้มาไม่ใช่ว่าเอามามาไว้โกโก้เนี้ยมาแล้วก็มาถูกายชำระเหงื่อไขออกจากกายหรือว่าเอามาซักผ้าเพื่อให้ผงเหล่า น, นั้นชำระคราบสกปรกให้ออกไปจากผ้าผ่อน ให้ผ้ามันสะอาดไอ้เราสร้างบุญสร้างกุศลเราประพฤติตามธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ความมุ่งหมายก็เพื่อให้ชำระล้างกิเลสออกจา ก, กจิตใจนี่เองอมไม่ใช่อย่างอื่นเพราะว่ากิเลสนี่มันก่อทุกข์ก่ อ, อยากให้ มาในสงสารมากมายนานๆนับชาติไม่ท่วนแล้วที่ร่วงแล้วมาขอให้พิจารณาให้เข้าใจให้เห็นแจ้งด้วยตนเองถ้าไม่เห็นแจ้งด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่ไม่มีแก่ใจที่จะภาคเพียรไม่ยาำชำระล้างกิเลสตัณหาอันมีอยู่ในจิตใจ ให้เบาวางไปหรือหมดสิ้นไปนักปราชญากรท่านจะททำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยนั่นก็เพราะเหตุว่าท่านเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่เองว่ามันก่อให้เกิดทุกข์นานาประการจริงรงเลยนี่ เหตนท่านยังทําความเพียรเด็ดเตียวไม่ท้อไม่ถอยไม่ยอมให้กิเลสตนามันจูงใจไปสเสแวงหาตั้งแต่เรื่องเป็นทุกข์เรื่องเป็นเรื่องยากเรื่องลําบากในโลกนี้ไอ้ผู้ที่เห็นโทษของกิเลสตัะหาดังกล่าวมานี่ ก็ร่วนแต่เป็นผู้ได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้ามาแต่ก่อนเหมือนกันนะี่มได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าว่าชาติความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยไข้เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความพัดพลาดจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์อ่านี่นะความได้อบหาสมาคม กับบุคคลที่ไม่เป็นที่พออกพอใจก็เป็นทุกข์อย่างนี้แหละความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังก็เป็นทุกข์ทุกทั้งมวลเหล่านี้นะ่ะคนเกิดมาในโลกนี้มันต้องได้พบกันทั้งนั้นแหละอืไม่ได้พบยังไงกันลองคิดดูสิ เมื่อไม่รูปมีกายอันนี้มาแล้วแม้จะรักษาดูแลประคอบประง ม, มหาอาหารหล่อเลี้ยงมันเท่าไร่มันก็ไม่เทียงมายังยืนให้ทุกคนก็รู้กันอยู่นี่อืมอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นทุกข์ยังไงล่ะเป็นทุกข์ตั้งแต่หาอาหารมาเลี้ยงมันนี่นะถ้าเป็นผู้คลองเลื้ยงแล้วก็ยิ่งทุกข์หลาย เพราะว่ากินมากนี้วันหนึ่งตั้งสองคาบสามคาบตู้้นสองมือสามมือนู่นนะจะไม่ให้มันยากมาลำบากไงแล้วถ้าเป็นนักบวดค่อยชั่วน้อยนักบวดชนิดปฏิบัติสมัเจริญสมถถิรศานาอา่ากระฉันมือเดียวเท่านั้นเอง สันคาบเดียวก็ยังก็นับว่าเบาบางไปอยู่เป็นทุกข์เพราะการแสวยหาอาหารมาหลเลี้ยงร่างกาย อ, นนอนนเนียนี่แหละพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าอาหารรับปริยีที่ทาทุกนะการแสวยหาอาหารมาเลี้ยงที่ก็เป็นทุกข์นี่นะ เมื่อเลี้ยงมันแล้วแทนที่มันจะอยู่ยั่งยืนมันคงไปนานอา้าวมันกลับสำรุดทุดชทมไปเรื่อยๆไปร่างกายอันใดก็อยู่นานปีนานเดือนไปก็สำรุดทุดทมอ่อนแพ้อ่อนเพลียไปกำลังเลี้ยวแรงไม่เหมือนไดียังหนุม่มยางแรนแล้วลดน้อยถอยลงไป ความชรานี่มันก็เป็นทุกข์ละลุกก็ยากนั่งก็ยากนอนก็ไม่ค่อยรับอย่างนี้นะไอ้ความเป็นทุกข์อันเกิดจากความแก่ความชราให้วินาดูสิแม้ว่าตนยังหนุ่มแน่นอยู่แต่ก็สังเกตดูคนเท่าคนแก่นั่นฮถ อ, อะมันทุกข์มันลำบากยังไงอะ แล้วก็เตือนตนว่าแม้ตนเองเมื่ออยู่นานปีนานเดือนไปร่างกายนี่มันก็ทรุดโทรมไปเช่นเดียวกับคนที่เกิดก่อนเรามาแล้วนั่นแหละอืมแถมความโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เ, เข้าไปยิ่งเป็นทุกข์หลายถึงเป็นโรคอันร้ายแรงเบียดเบียนอย่างนี้นะทุกข์ไม่มีระวังเลย โรคมะเร็งโรคเอทโรคเบาหวานวันนะโรคหมู่นี้นะลว้วนจะเป็นโรคทรมานทั้งนั้นเลยน้อยคนที่จะรักษาหายได้โรคเหล่านี้นะ มีแต่ทนทุกข์ทรมานไปแล้วก็ตายเท่านั้นเองอแล้วนอกจากโรคดังกล่าวมานนี้ก็มีโรคอื่นแทรกแซ ง, งเยอะแยะคนสมัยใดคนมีบาปมากเกิดมาแล้วโรคภัยไข้เจ็บนานาประการเบียดเบียนเอาอย่างนี้นะจะไม่ให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้ว ความเจ็บป่วยไขะแต่เมื่อมันไม่ถูกใครใครยังไม่ถูกโรคไข้เวียดเียนเอาก็ดูเหมือนดีเหมื่อนว่าตอนมีกําลังวางทาอย่างนี้เข้าใจว่าจะเป็นอย่างนี้เรื่อยไปเข้าใจผิดแบบนั้นนะคนเราถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ตายสาเหตุที่มันจะตายก็เพราะการเจ็บการป่วย การตายปัจจุบันเขาเรียกว่าตายโหงน่น่ะอันนั้นมันก็มีกรรมเวรอนรุนอันร้ายแรงมาแต่ชาติก่อนท่านเรียกว่าอุปคาตกรรมกรรมตัดรอนนะอันเนี้อยอยู่แล้วก็มีอุปติเหตุเกิดขึ้นตายปุ๊บปั๊บไปเลย อ, อันนี้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันเนะ่ เวลารู้สึกว่าตัวจะตายแล้วก็เป็นทุกข์แล้วเป็นอย่างนั้นเวลาที่ไม่ใช่กรรมเวรแต่หนหลังตามสนองอย่างรุนแรงอย่างว่านั่นไะแม่ไม่มีกรรมมีเวรก็ตามนะแต่บุญกุศลที่มาตกแต่งร่างกายไอ้นี่มันมีขอบเขตจำกัดนี่นั่นแหละ เมื่อบุญกุศลให้ผลไปหมดเขตของมันแล้วบุญหมดแล้วร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้้ะ ต, ต้องแตกดับทำลายลงผู้ดใดมีบุญน้อยก็อายุสัน้นผูใ้ใดมีบุญมากก็อายุยืนยาวนานไปเป็นอย่างนั้นก็ลองสังเกตดู แต่ว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นยุคสมัยคนมีอายุสั้นถ้าผู้ใดถึงแปดสิบก็สิบถือว่าอายุยืนถ้าถึงร้อยปีก็อายุยืนมากแต่ถ้าเทียบกับคนบางยุคบางสมัยแล้วโอ้ยเชี่ยวหนึ่งเท่านั้นเองเทียบกับอายุของคนสมัยบางยุคบางสมัยที่ท่านมีอายุยืนตั้งหมื่นปีสองมืนปีหรือว่า หลายหมื่นปีถึงแสนปีนั่นก็มีอย่างงี้นะแล้วทำไมคนเราถึงมาหวงมาหวงแต่ร่างกายอันไม่ยั่งยืนนี่หนักหนาไม่ได้ใช้มันให้ประกอบคุณสนคุณงามความดีเมื่อเวลามันมีกำลังเลี่ยวแรงดีอยู่มันมีกำลังเลี่ยวแรงอยู่เพิเพลิน มีแต่ความเพลินเป็นประมาณเที่ยวเตอคนหนุ่มคนสาวเที่ยวมหัศดูมหรสพครบกันต่างๆนั่นนาดูคอนเสิร์ตสารพัดตะกีฬาสรพัดตั้งแต่มหรสพเครื่องโยวยวนชวนให้หลงให้เมาในปัจจุบันยิ่งพิศดาน ไอ้หนุ่มสาวนะี่ยหาเงินได้แล้วก็เที่ยวกันเลยชวนกันได้ก็ไปแล้ะสมัยทุกวันนี้หญิงกับชายใกล้ชิดกันเหลือเกินไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนนี่ผู้หญิงก็ต้องไปเป็นหมู่ของผู้หญิงผู้ชายก็หมู่ของผู้ชายหมู่ใครหมู่เราไม่ปะปนกันแต่สมัยทุกวันนี้ มันเปลี่ยนแปลงแล้วจับคู่กันแล้วเดินไปตามถนนทา ง, งก็เอามือเกี่ยวก้อย ก, กันไปพูดกันไปคุย ก, กันไปอืมทังที่ไม่ได้ทันได้แต่งงานกันเลยอย่างนี้หลยแล้วจะไม่ให้คนทุกวันนี้นะ่ะมันเสียเนื้อเสียตัว จะไปได้ยังไงแล้วนั่นเองสำหรับผู้ชายก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นักแต่ผู้หญิงสิเสียหายอะ่ะนั่นเองหากไปประพฤติเสเพอย่างนั้นแล้วหากว่าผู้ชายคนนั้นทอดทิ้งแล้วชายอื่นก็ไม่ค่อยจะเหลียวแลแล้วเพราะว่า เขาก็มองเห็นว่าเป็นคนเลอะเทอะ ไ, ไม่สงบเสงีง่ยมไม่เกียมตัวไม่รักษาตัวอย่างนี้ถ้าแต่งงานมาแล้วเดี๋ยวก็ไปทําชู้จากผัวก็ไม่มีใครเหีียวแลก็เลยกลายเป็นโผเพนีไปมีอยู่เยอะแยะเลยแบบนี้นะดังนั้นนะ คนเราก็ไม่ควรที่จะไปเห่ตามยุคตามสมัยอ่ะควรถือเอาศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเป็นหลักเครื่องดำเนินชีวิตต่อไปดีกว่าอ่ามันจะไม่ได้เดือดร้อนในภายหลังแล้วก็มันเข้าวัดเข้าว่าบ้างแล้วมันนั่งสมทีภาวนา เพิกใจให้สงบระ ง, งับจากนิวรณ์ห้านั่นเข้าไปเ่งที่นารูปกายอันนี้เป็นอารมณ์ในความกำหนัดกินดีมันโยงกำหนัดรูปกายอันนี้ละก่อนนะ่ะรูปกายที่ดวงขิดอาศัยอยู่เนี่ยแล้วมันจึงลามปามกำหนัดไปในรูปอื่น เมื่อภาวนาจิตใจสงบเห่งดูร่างกายนี่ก็จะเห็นว่าไม่มีส่วนไหนสวยงามในผิวหนังเข้าไปแล้วมันก็มีแต่สิ่งโสโครกสกรปรกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามมีรูปร่างสันธานก็ไม่น่ารักใครพึงใจอะไรหรอกเพ่งพินาดูดีๆนะ แตพี่นาโดยลว ก, ลวกแล้วมันมันก็หลงละเมอไปแหละเห็นเขาแต่งตัวหรูหราเข้าไปนุ่งน้อยห่มน้อยอเปิดเผยท่อนล่างลงป ไ, ไปไปมองดูแลโอยสวยงามดิน้นเขาแล้วจิตใจนั้นเป็นยัง้นในผู้หญิงสมัยนี้ไม่ให้มันเสียตัวก็ไม่ได้เพราะว่าไป นุ่งน้อยห่มน้อยเปิดอวัยวะให้ชายหนุ่มมองเห็นก็เพื่ อ, อยุ้ยให้เขาเกิดความกำหนัดในตนแล้วเขาจะได้ติดต่อตนเข้าไปจีบตนเข้าไปนี่แล้วมาให้มันเสียเนื้อเสือเสียตัวได้ยังไง ร, รู้ได้หรือว่าผู้ชายมันจงรักภักดีต่อตนจริงๆ กลัวไม่ได้เสี่ยงข้างนั้นเลยบางคนเขาก็ต้องการความสุขชั่วคราวแล้วก็เขาก็ทอดทิ้งไปเลยตนก็อกหักหอยผู้หญิงอะ่ะเป็นงั้นฉะนั้นผู้หญิงที่ใจง่ายรู้อำนาจแก่ราคะตัณหามักจะไม่เจริญรุ่งเรืองในชีวิตเลย ดังนั้นคอย ห, หันหน้าเข้าวัดวาอารามดีกว่าดีกว่าไปเที่ยวเตะดูมหมอรศบครบกันต่งตงนนนางๆนานาหมู่นั้นนะ่ะรุ่นแต่เป็นหนทางแข่งความเสื่อมของชีวิตทั้งนั้นเลยไม่ว่ายิงไม่ว่าชายเหมือนกันทั้งนั้นแหละ ไอ้เรื่องเหล่านี้มันก็เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมต่อการบำเพ็ญบุญกุศลบารมีเกิดมาเสียชาติเปล่ า, เ, าเกิดมาเสียเวลาเปล่ า, าไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลบารมีทำไม่แก่กล้ากึนในตนมัวแต่ตกเป็นทาสของราคะตัณหาอยู่อย่างนั้นแล้ว จะเอาเวลาไหนมาสร้างบุญบรารมีเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมนั่งนั่งสมาธิภาวนาไม่มีเลยคนกิเลสหนานี่มันทำไม่ได้มันเป็นงั้นดังนั้นให้นึกถึงชีวิตนี่ที่ได้มาแสนยากแสนลำบากกลัวจะได้เกิดมาเป็นคนไม่ใช่ของง่าย ต้องสร้างบุญสร้างกุศลให้มากพอสมควรต้องละบาปอันจะไปพาไปสู่นรกอบัยภูมินั้นเสียก่อนแล้วจึงบุญกุศลที่ทำนั้นจึงนำมาเกิดเป็นคนได้ถ้าไปทำบาปอยู่อย่างว่านั่นแล้วบาปมันก็ฉุดคล้าไปสู่นรกคนจะมาเกิดเป็นคนได้อย่างไรอ่ะ ต้องเป็สวยมีบากกรรมนั้นจนว่าหมดแล้วจึงได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกไม่ทราบนานเท่าไรนะในตำราท่านกล่าวว่านานยิงๆเลยหลายกลับหลายกันนอกสมควรที่จะพากันเชื่อพระปัญญาตรรุของพระเจ้าเราเชะพูดแท้ๆนะ บางคนก็ไม่ค่อยเชื่อนะการพูดถึงเรื่องนรกสวรรค์นเนี่ยผู้ที่ไม่เชื่อปฏิเสธอย่างว่านั่นแล้วก็เท่ากับว่าไม่นับถือพระพุทธเจ้าเลยไม่นับถือคำสอนของพระองค์เลยเพราะว่าก็าองค์เจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้จริงๆนี่ ไม่ใช่นักปราชญ์ที่ภายหลังมาในจมาคิดได้อ่านออกเขียนลงไว้ในตำราด้วยตนเองไม่มีไม่มีคนไหนในโลกนี้ที่จะมาคิดจะมารู้เรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องนิพพานอะไรอย่างพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระสารมุขก็นำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองมาแสดงนะ จดจำเอาคำสอนนั่นแหละงั้นผู้ที่เป็นต้นแห่งความรู้ความเห็นดังว่าวันนี่ก็มีพระผู้เทวเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นเองดังนั้นนะควรพากันสนใจเพราะชีวิตทุกคนก็รักตัวเองไม่มีใครที่จะเกลียดชังตัวเองไม่มีเลย รักตัวเองอยากให้ตนเองมีความสุขความเจริญใครๆก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้ทั้งนั้นเลยฮเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปลังเลทำไมละ่ะผู้ที่ชี้หนทางออกจากทุกข์ให้เราก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งบางเกิดก็ในโลก ในยุคนี้แหละแต่ว่าล่วงมาแล้วสองพันห้าร้อยกว่าปีแม้ว่าพระองค์จะเป็นชาวอินเดียเกิดอยู่ในประเทศอินเดียมีพระกิตติพกิตติคุณรับเบออยู่ในประเทศอินเดียก็จริงนะแต่ว่าเมื่อพระองค์เสด็จดับขันปริพานมาแล้ว พระสาวกผู้ใหญ่ของพระองค์ที่เกิดมาในภายหลังท่านผู้มีบุญวัฒนาบารมีเช่นพระโมคคันลีบุตรติตะเถระเจ้าอย่างนี้นะนั่นและท่านก็เกิดมาแล้วท่านบอกบวชบาเพ็ญศีลสมาธิปัญญาได้สำเร็จอรหันแล้ว ท่านก็พยายามเผยแผ่พระศาสนาของพระพุทธเจ้านี้ให้กว้างขวางออกไปนั่นเป็นประธานในการทำสังคายนายนขั้งที่สามร่วมกันกับพระเจ้าอโศ ก, กมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของประเทศอินเดียในขั้งนั่น เมื่อทำสังคายนาเสร็จแล้วท่านก็จัดส่งพระอรหันต์ออกไปเผยแผ่ตะนาน า, นาประเทศซึ่งอยู่ล้อมรอบอินเดียอยู่เนี่ยส่งมาประเทศไทยสององค์ชื่อว่าพระคุณะองค์หนึ่งชื่อว่าพระอุต ร, ระองค์หนึ่ง ส่งไปประเทศพ ม, มา่าส่งไปศีรังกาส่งไปอินโดนีเซียส่งไปมาเล เ, เซียแล้วส่งไปประเทศอื่นๆซึ่งที่เรารู้กันว่ามีพระพุทธศาสนา อยู่ในประเทศใดมาเทกรลนน้วนแต่ท่านส่งพระสาวกไปเผยแผ่ทั้งนั้นเลยนี่ะดังนั้นคนไทยเราเน่ะมีบุญมีวาสนาเพราะคนใดมีบุญมีวาสนาเน่ะจึงได้มีพระอรหันต์ มาเผยแผ่พุทธศาสนาในเมืองไทยถ้าท่านพิจารณาเห็นว่าคนเรานี้ไม่มีบุญวาดาสนาถ้ามาเผยแผ่ก็ไม่ได้ผลอะไรท่านก็ไม่มาเนยเพราะสมัยก่อนทางคมนาคมมันไม่สะดวกเลยต้องมาด้วยเรือใบออ เ, ออเครื่องจักรเครื่องยนต์อย่างสมัยนี้ไม่มีต้องร้อนแลมมาตามหมาสับบุตรทะเลเนี่ย ไม่ทราบว่าวกี่วันควาจะถึงถ้าก็เสี่ยงชีวิตเหมือนกันนะดังนั้นมาถึงเข้าแล้วมาแสดงธรรมให้คนไทยฟังในตำ ร, รากาวนครปฐมและพระองค์อาราหันต์ท่านขึ้นมาแสดงธรรมคนนครปฐมฟังแล้วก็รู้สึก ทราบพึ่งในใจมีศรัทธาแรงกล้านี่นะออกบวชตามท่านไปผู้ไม่บวชก็พากันสร้างวัดสร้างวาคืนอย่างนี้แหละแล้วเมื่อพระอระหันต์สององค์นั้นท่านจาริกไปที่อื่นเข้าไปแล้ว ชาวเมืองนะคปรปฐมก็พากันชวนกันสร้างพระเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์เข้าใจว่าจะสร้างตรงที่พระอระหันต์สององค์ท่านมาพักแสดงธรรมอยู่นัานเองสมัยก่อนก็คงจะเป็นป่าเป็นลกอยู่แต่สถานที่ท่าน พักอาศัยอยู่นั่นน่ะแต่ทุกวันนี้พระเจดีย์นั่นอยู่ตรงกลางมีป่านมีเมืองอะไรห้อมล้อมอยู่หมดเลยอืนเป็นังไเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเรานี่จึงเื่อว่ามีบุญวาสนาได้สร้างมาแต่ก่อนแล้วเมื่อพระอาหารหันต์นั้นท่านจะลิกไปบ้านใดเมืองใด คนบ้านนั่นเมือง น, นั่นก็ต้อนรับขับทู่ทั้งนั้นเลยคนไทยเราไม่ว่าภาคไหนอ่ะเหตดังนั้นถึงมีซากวัดวาอารามปรากฏอยู่ทุกภาคเลยนี่แหละคนไท ย, ยว่ามีบุญวาสนามากจึงสามารถรักษาพระพุทธศาสนานี่ไว้สืบต่อกันมาหลายชั่ววันพระบุษแล้ว จนถึงในปัจจุบันนี้ศาสนาก็ยังเพื่องฟูขึ้นมาอยู่ยังมีผู้สนใจประพฤติธปฏธิบัติตามก็มีอยู่เมื่อเรารู้กวองขวางออกไปแล้วมันจะเป็นเหตุให้เราทราบซึ้งในใจว่าพุทธศาสนานี่ประเสริฐ จ, จริงๆเพราะว่า คนผู้มีบุญเท่านั้นจะนับถือได้ถ้าคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาอันลึกซึ้งแล้วนับถือไม่ได้เลยเพราะรัฐที่อื่นศาสนาอื่นนมันง่ายเขานับถือนะ่ะเพียงแต่ไปได้ดอกไม้ทุเทียนไปจุดบูชาแล้วก็จือนประนมมือไหว้กันอยู่เท่านั้นเองน ะ, อ, ะอ้อน อ, อนขอให้พระเจ้า สิ่งทักิิทิได้มาช่วยตนให้มีความสุขความเจริญไปแคนนี้แหละวันเสาร์วันอ า, าทิตย์เข้าโบสถ์ไปไหว้เท่านั้นเองนะไม่มีอะไระว่าพวกนั่งภาวนาก็ได้แค่สะกดจิตแล้ไปสงบอยู่ช่วระยะหนึ่งแล้วก็ได้แค่นั้นแหละ ถึงว่าเขาจะเจริญปัญญาวิปัสนาให้แก่กล้าจนมองเห็นธาตุสี่ขั น, น้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายอะไรออกบวจริงจังไม่มีมีแต่ในพุทธศาสนานี่แหละนั่นนะไอ้บุคคลผู้ที่จะออกบวดในพุทธศาสนานี่ บวชมาแล้วตั้งกายปฏิบัติจริงๆเนี่ยเขาก็ต้องเป็นคนมีบุญมากพอสมควรนะเนี้ยมีบุญกุศลคนหลังหานสงแห่งการรักษาอุโวสถสินบ้างบางคนก็อาจได้บวชมาอ่าก็มีอย่างนี้นะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมาบวชข้าวก่อน อินทรีย์ก็ยังไม่แก่กล้าไม่ได้มักได้ผลอะไรแต่มันเป็นอุบนิสัยปัจจัยนำมาให้เกิดขึ้นมาสมัยนี้ยุคนี้เมือ่อมาพบพดะศาสนาเข้าแล้วก็มีศรัทธาเรื่อมใสพอใจออกบวชกันเป็นงั้นไม่ไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุปัจจัยนะ แต่ละคนที่ได้มาบวชเนี่ยมีมีบุญกุศลย่จริงๆดังนั้นให้พากันสำนึกตัวให้ดีว่าเราได้สร้างบุญมาอย่างสูงแล้วนะบุญทรงเรามาให้มาบวชชีวิตของนักบวชนะสูงกระดูสิแม้พระราชามากริย์ก็ยังกราบยังไหว้คิดดูอย่างนั้นแหละจะไม่สูงยังไงแล้ว จะเป็นลูกของชาวนาะชาวสวนลูกกรรมกรก็ตามนะบวชเข้ามาแล้วพอพุทธปฏิบัติตามทำวินัยด้วยดีละแม้ผู้ยิ่งใหญ่ต่างๆ้ะไรก็ยังยกมือไหว ย, ยังกราบให้คิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันนะจะว่าบุญไม่มากยังไงแล้วดังนั้นควรจะภาคภูมิใจการที่เราได้มาบวชเรียนในพุทธศาสนา ได้มาปฏิบตัติตามคำสอนของพรพุทธเจ้าจนทำอาสวะกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจถึงแม้กิเลสไม่หมดแต่ทำกิเลสอย่างหยาบๆจ น, นให้มันเบาบางลงไปก็ยังนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันมากมายก่ายกองทีเดียว啊 แลมันจะได้พ้นไปจากอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตอนถ้าผู้ใดยังสาสงกิเลสอย่งยางแยมแยมนั่นอยู่ถ้าเป็นนักบวชก็ร่วงพ่อวินัยอย่างร้ายแรงอถ้าเป็นกระลือหัดก็ร่วงสินหน้าก้อนั้นตายแล้วก็ไปตกนรกหมกไหมในอบายภูมิอย่างนี้นะผู้มีกิเลสหนาน่านะ มันเอาตัวไม่รอดเป็นนักบวชก็เอาตัวไม่รอดเป็นครือหัสก็เอาตัวไม่รอดจากนรกอบายภูมิดังนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วควรจะพากันตื่นตัวผู้ใดอยู่ในเพศใดก็ยึดศีลนี่เป็นเพื่อนเป็นคู่ชีวิต ดำเนินไปให้ได้จำกัดเรื่องศีลและสำคัญมากเพราะว่าศีล น, นี่เป็ น, เ, ปนเครื่องป้องกันบาปอคุศนต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นในกายวาจาจิตของคน น, นีนะคนเรานี่มันยากกับมีบาปกรรมนี่เองนะคิดดูให้มันเห็น ถ้าไม่มีบาปกรรมรบกวนแล้วนั่นชีวิตนี่มันก็สบายดำเนินไปอย่างราบรื่นเลยฮ ะ, ะ, ะทำกุศลคุณ ง, งามความดีนีก็ก้าวหน้าไปเลยฮะถ้าไม่มีบาปอกุศลนี่มารบ ก, กวนนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันเมินเฉยการนับถือบุธทธศาสนานี่ มันต้องมีสินเป็นรากแก้วพระพุทธเจ้าทรงเปรียบพระพุทธรากแก้วของอุทธศาสนานี้ต้องมีสินมีวินัยเป็นรากแก้วเหมือนต้นไม้เมื่อมันมีรากแก้วอย่างลึกลงไปแล้วมันก็ทนทา น, นลมพัดมันก็ไม่หักไม่โค่นอ่าุทธสศาสนานี่ก็เหมือนกันเนี่ย ถ้าพุทธบริษัทนั้นรักษาศีลในบริสุทธิ์ไม่เบียดเบียนกันไม่ทำบาปแล้วอย่างนี้ผู้นั้นบำเพ็ญบุญกุศลบุญกุศลก็มั่นคงบุญกุศลก็บริสุทธิ์พุทธอังดีจิตใจก็ผ่องใสเบิกบานเป็นอย่างนันเพราะฉะนั้นเมื่อได้สระต่อฟังแล้วก็ขึ้นพากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ยายมบำเพ็ญไปให้เต็มความสามารถของทนของทนก็จะได้ประสบพลคือความสุขอันเป็นแก่นสารดังแสดงมา